คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่สี่ถามจิตไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่จิตแล้วเราอยู่ไหนกันตอบในร่างกายจิตใจเรานี้ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีความรู้สึกอยู่ย่อมหนึง่งที่มันรู้สึกว่าคือตัวเราเรานั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตัดสินผู้เสพอารมณ์ต่างๆสิ่ง น, นี้แหละครับ ที่บัญญัติกันว่าจิตมันคือคนที่พูดเจ้าๆตลอดเวลาคอยตัดสินว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีเวลามันไปรู้อะไรเข้ามันก็เกิดความชอบและความชังขึ้นมาลองทำใจสบายๆแล้วทำสติระลึกรู้เข้าไปที่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเราดูสิครับปุถุชนกับพระโสดาบันนั้นความรู้สึกตรงนี้จะต่างกันมาก เพราะปุ้ทุชนถ้าดูเข้าไปที่ความรู้สึกนี้จะรู้สึกชัดเจนเลยว่ามันเป็นเราแต่พระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบาันขึ้นไปเวลามองดูความรู้สึกอันเนี้ยจะเห็นเพียงว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติรู้ไม่มีความเห็นสักนิดเดียวว่ามันคือตัวเราแต่พระอริยบุคคลที่ไม่ใช่พระอรหันนั้นในเวลาเผลอ ก็ยังยึดความรู้สึกอันนี้ว่าเป็นเราเรียกว่าบริสุทธ์เพียงความเห็นเท่านั้นเอาเข้าจริงยังยึดมั่นถือมั่นจิตอยู่พูดให้มีสับแสงสักหน่อยก็กล่าวได้ว่าความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นมันคือจิตที่ประกอบด้วยสกิยะทิฐิส่วนความยึดติดเป็นตัวเราคืออัตตวาทุ ป, ปาทานเป็นคนละอย่างกันลำพังจิตที่เป็นเพียงผู้รู้อารมณ์ลุ้นล้วนนั้น มันไม่มีความเป็นเรามาแต่แรกแล้วแต่อศัยความคิดหรือสังขารขันต่างหากเข้าไปแทรกปนจนจิตก็หลงเชื่อตามความคิดไปว่านี่แหละคือตัวเราผมเคยภาวนาจนจิตดับขณะแรกตอนที่จิตกลับมารับรู้อารมณ์นั้นจิตมันอุทานขึ้นมาด้วยความอัศจรรย์ใจว่าเอ๊จิตไม่ใช่เรานี่ในวงเล็บจิตเป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่ง ไม่มีรูปร่างแสงสีตัวตนใดๆสักนิดเดียวนะครับไม่มีจุดมีดวงใดๆทั้งสิ้นวงเล็บปิดจิตมันอุทานได้เองมันแสดงทำได้เองผมก็ตั้งคำถามขึ้นในใจว่าถ้าอย่างนั้นความเป็นเราเกิดมาจากไหนละ่ะจิตก็ตอบว่าเพราะในวงเล็บหลงตามวงเล็บปิดความคิดนึกปรุงแต่งจิตจึงเป็นเรา กำลังจะถามมันต่อไปก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาจากความว่างเปล่าคือแสงสว่างปรากฏขึ้นซึ่งในธรรมาจักท่านเรียกว่าอาโลโกอุทธปาธิทัดจากนั้นจิตก็ร่าเริงเบิกบานในธรรมเพราะมันรู้แล้วว่าอาวิชชาตันหาอุปาทานหลอกมันได้อีกไม่นานหรอกในวงเล็บตรงเนี้ยหลวงปู่ดุลท่านเรียกว่าจิตยิ้ม คือมันเบิกบานยิ้มเยาะกิเลสและผมคิดว่าที่พระพุทธเจ้าท่านอุทานทักตันหาก็คือภาวะอันนี้เองเพียงแต่สภาวะของท่านนั้นท่านสิ้นชาติสิน้นภพจบพรหมจรรย์แล้ววงเล็บปิดถัดจากนั้นจิตก็ทบทวนทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรานั้นขาดไม่เหลือแล้วแต่ความยึดมั่นว่าจิตเป็นเรายังเหลืออยู่ เพราะยึดว่าจิตเป็นเรานี่เองผู้ปฏิบัติจึงมีความภาคเพียรเจริญสติปัฏฐานเพื่อออกจากทุกข์ถ้าจิตไม่เป็นเราจิตจะจมทุกข์จนตายไปมันก็เรื่องของจิตสิครับแต่เมื่อใดจิตเข้าถึงภาวะที่ปล่อยวางความยึดจิตชั่วขณะจิตเองกลับวางขันห้าในวงเล็บโดยย่นย่อคือกายใจนี้วงเล็บปิดแม้ขันจะเป็นทุกข์จิตก็ไม่เอาด้วย เพราะกระทั่งจิตยังไม่ยึดจิตเองจิตจะไปะยึดขขนมาทำไมกันอีกมันจึงเกิดภาวะว่างอิสระหมดงานที่จะต้องทำและมีความบรมมสุขจริงๆถามการที่ยกแขนยกขานั่งเดินได้ตามใจทำให้เข้าใจว่าจิตสั่งรูปได้จึงทำให้เข้าใจว่ามีบางสิ่งเป็นเจ้าของบางอย่างอยูอย่เรื่อยเลยตอบ ที่กล่าวว่าจิตสั่งกายได้จึงเห็นว่ากายเป็นของจิตในวงเล็บซึ่งจิตก็คือตัวเราวงเล็บปิดอันนั้นถูกต้องแล้วครับต่อเมื่อใดปฏิบัติมากเข้าถึงจุดที่รู้แจ้งว่ากายไม่อยู่ในอำนาจบังคับเสมอไปจึงปล่อยวางความยึดถือว่ากายเป็นของเราที่สั่งได้เช่นบางคราวภาวนาไปจิตกับกายแยกออกจากกันจิตจะสั่งกายไม่ได้แล้ว ได้แต่มองดูกายนอนนิ่งหรือนั่งนิ่งอยู่เท่านั้นควบคุมไม่ได้กระทั่งกระดิกนิ้วหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกพระศัสดาท่านตรัสว่าบุคคลในธรรมวินัยอื่นที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานั้นมีอยู่ทั้งนี้ก็เพราะว่ากายนี้มีความแปรปรวนอย่างหยับยาบให้เรารู้ทันได้ว่ากายเป็นอนัตตาแต่พระศาสดาก็ตรัสต่อไปว่า ผู้ที่เห็นว่าจิตไม่ใช่เรามีแต่ในธรรมวินัยของพระองค์ท่านอันนี้ก็จริงอีกเพราะถ้าเมื่อใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราสกยาทิฐิจะขาดทันทีการจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานั้นเป็นเรื่องยากเพราะจิตเป็นของละเอียดมากเราต้องเจริญสติสัมปชัญญะเฝ้ารู้อยู่ที่จิตจนเห็นความจริงบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่เช่น พบว่าจิตนั้นรู้อารมณ์อย่างเป็นอิสระจากความจงใจของเราหมายความว่าเราอยากให้จิตรู้และสัมผัสแต่อารมณ์ที่ดีมีความสุขหรือสั่งจิตไม่ให้ไปรู้ความทุกข์ใดๆจิตก็ไม่เชื่อฟังอารมณ์อะไรผ่านมาจิตก็ทำหน้าที่ของเขาคือรู้ไปทั้งหมดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหยาบและละเอียดจิตเขาทำหน้าที่ของเขาตรงไปตรงมา ไม่ทำตามที่เราสั่งรู้แจ้งเห็นจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่พยายามฝึกฝนอบรมจิตเข้าสู่ความสงบปั๊บเดียวจิตไม่สงบอีกแล้วและไม่สามารถบังคับจิตได้เสมอไปให้สงบพวกฤาษีชีพรที่ชำนาญในฌานสามารถเข้าสงบได้นานนานานมากๆกก็เกิดความหลงผิดหนักขึ้นว่าจิตเป็นเราฝึกหัดได้อบรมได้ จนนิ่งสนิทตามต้องการเขาลืมเฉลียวใจว่านั่นเป็นแค่การป้อนอารมณ์อันเดียวให้จิตอย่างต่อเนื่องยาวนานเท่านั้นเมื่อใดจิตไม่สนใจอารมณ์นั้นแล้วต่อให้เอาช้างมาฉุดมันก็อดฟุ้งซ่านไม่ได้จิตเป็นของละเอียดแต่ไม่ละเอียดกว่าพระปัญญาตรัสรู้พวกเราสาวกจึงมีโอกาสได้รู้ตามท่านสอนว่าจิตไม่เที่ยงเป็นของทนอยู่ไม่ได้ และไม่ใช่เราจะหาอะไรที่ถูกยึดว่าเป็นเราเท่ากับจิตนั้นไม่มีเลยครับกระทั่งพวกที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์เขาก็รู้สึกว่าจิตเป็นเราหรือกลุ่มขันนี้เป็นเราเพียงแต่ว่าเมื่อตายแล้วก็ศูนย์เท่านั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นท่านชี้ว่าไม่มีความเป็นเราทั้งที่กลุ่มขันยังปรากฏต่อหน้านี้เอง เป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงสันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมดปราโมชโชในปัจจุบันอ่านโดยโจโฉหรืออนุสอนตรีโสภาเพียงกลาิิเอพนนัา